สามอนาคาตวานอนุโลมบุคคลจากขุนตริยมุรกไร281อนุโลมปุจฉาจากขุนสี่มบุคคลใดจะเกิดโสตินสี่มบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิรอมปุจฉาโสตินสี่มบุคคลใดจะเกิดจากขุนสี่ขบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุจฉา จากขุนศีของบุคคลใดจะเกิดคานินศีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลเลาใดจาก อ, อุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานินศีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาคานินศีของบุคคลใดจะเกิด จากขุนสีกบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุชชาจากขุนสีกบุคคลใดจะเกิดจิตถินศีกบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเราใดจะเกิดในรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนสีกบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่อิทธินีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินีก็จะเกิดปฏิรมปุชฌาอิทธินีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุลมปุชฌาจากขุนสีเขาบุคคลใดจะเกิดปุริสินสีเขาบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา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 บุรีตินสีคำบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีคำบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนสีคำบุคคลใดจะเกิดชีวิตินสีคำบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทสีคำบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีคำบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเราใดจกอุบัติในอรูปปภูมิแล้วปรินิพาน ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจากขุนศีก็จะเกิดอนุรลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเรใดมีจากครูเกิดได้มีอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินรีย ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนสินศีก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาโสมนสินศีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดจะเกิดอุเปกขินทศีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลเราใดมีจกักรคเกิดได้มีโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดได่อุเปกินรีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินรีของบุคคลใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลเราใดจากอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเรานั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินสีของบุคคลเรานั้นจะเกิดและจากขุนศีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดจะเกิดสตินทรีละปั ญ, ญินรีและมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา มนิณีสีของมุขคลใดจะเกิดจากขุนสีของบุคล ค, บคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลใดจากอุบัติแนวรูปประภูมิแล้วปรินิพานมนิณีสีของมุขคน ล, ลนั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนิณีสีของบุขคน ล, ล่านั้นจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิดจากขุนตรียะมูลกานายัยจบคานินตรียะมูลกานัย282 อนุโลมปุจฉาคานินซีข้ามบุคคลใดจะเกิดอิตินซีข้ามบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิอินบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคานินซีข้ามบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิตินซีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินซีข้ามุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิตินซีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชา อิทธิรีของบุคคลใดจะเกิดคานินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดจะเกิดปริสินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิบัติในบางภพโดยภาวะนั่นแหละแล้วปรินิพานคานินสียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้คาณินทรีข้ามบุคคลนั้นจะเกิดและปุริสินรียก็จะเกิดปฏิลมปุชชาปุริสินทรีข้ามบุคคลใดจะเกิดคาณินทรีข้ามบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุรมปุชชาค pues, าณินตีข้ามบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีข้ามบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิรมปุชชา ชีวิตินทรียของบุคคลใดจะเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิ่ตัชนาบุคคลเราใดจกอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคาณินทรียก็จะเกิดอนุโลมพูดจ้า คานินทรีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลหลใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปไินิพพานคารินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัสสินทรียก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิด คานินตีขบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานโสมณ ส, สินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานินตีไม่ใช่จะเกิดบุคคล น, นอกนี้โสมณ ส, สินทรียของบุคคลเหล่า น, นั้นจะเกิดและคานินตีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา NI. บุคคลใดมีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพานคานินตีเของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีเขงบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินรีเขงบุคคลใดจะเกิดคานินตียเของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะ บุคคลเราใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลนั้นจะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินสีของบุคคลนั้นจะเกิดและคานินรีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดจะเกิดจตินรีละปัญญินรียละมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุชชามนินทรียของบุคคลใดจะเกิดคานินตียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคาณินทรียก็จะเกิดคานินทริยมุลกนานัยจบ อิทธินตรีมูลกนัย283อนุโลมปุชชาอิทธินรีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลล่ใดมีอิทธิเกิดได้ถือปเป็นหนติในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิถธินรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ อิตินรีขบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรียก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาปุริสินรียขบุคคลใดจะเกิดอิตินทรียขบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลลใดมีปุริสาเกิดได้ถือเป็นเจตนทิในบางพบโดยภาะวะ น, นั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินรียขบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิตินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ปริจินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิจินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิถินทรีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินตียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอิถินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพาน และบุคคลเหล่าใดถือไปตรวปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิทธินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินทรียก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิทินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสอิทินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัตแล้วปรินิพานอิทธินทสียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัตินิสัยไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิทธินิสัยของบุคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมณัสินิสัยก็จะเกิดปฏิโดมปุชชา โสมสตินตีของบุคคลใดจะเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลเใดจากอุบัติในรู ป, ปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเใดมีปุริสาเกิดได้ถือปิติสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมณตจากอุบัติแล้วปรินิพานโสมนณตินตีของบุคคลเหรานั้นจะเกิดแต่อิตินรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้โสมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอิทธินทรีย์ก็จะเกิดอนุโลมปุชชาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเหล่าใดมีอิทถีเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนณตจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทธินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้อิตินทรีของบุคคลเนั้นจะเกิดและอุเปกินตีก็จะเกิดปฏิรมปุชฌาอุเปกินตีของบุคคลใดจะเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละ มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อิจินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดได้อิจินรียก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิจิินรียของบุคคลใดจะเกิดตัฒตินรียและปัญญินรียและมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจัชณาใช่ปฏิโลมปุจฉา มนินตีของบุคคลใดจะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิ่ตัชนาบุคคลเใดจะกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานมนินตีของบุคคลเรานั้นจะเกิดแต่อิตินตีไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้มนณีนสีของบุคคลนั้นจะเกิดและอิทธินรียก็จะเกิดอิทธินทรีย์มูลกนัยจบปุริสินทรีย์มูลกนัยสองอนุโลมปุชชาปุริสินทรีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุชชา ชีวิตอินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชรณาบุคคลเราใดจากอุบัติในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่บุริสินทรีย์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ชีวิตสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินรียก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทสียของบุคคลใดจะเกิดโสมณต ส, สินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาะบุคคลเใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานปุริสินสียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมณต ส, สินรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหลนั้นจะเกิดแโสมานัตสินสีก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาโสมานัตสินสีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเราใดจักอุบัติในรูปปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพาน โสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัรนาะบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิได้บางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละ มีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะ บุคคลใดจักอุบัติในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลนั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินสีของบุคคลนั้นจะเกิดและปุริสินสีก็จะเกิดอนุโลมปุจฉา ปุริสินสีขุมมุคคนใดจะเกิดสัตทินสีละปั ญ, ญินสีละมนณีสีของบุคคนนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณีสีของมุคคลใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคนนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมแล้วปรินิพาน และบุคคลเาใดมีิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่นนั่นแหละแล้วปรินิพานมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ปุริสินรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและปุริสิปุริสินสีก็จะเกิดปุริสินตรียมูลกนัยจบชีวิตินตรีมูลกนัยสองร้อยแปดอนุโลมปุจฉา ชีวิตินทรียีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัณสินทรียีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารณ์านะปชิมจิตที่สัมยุญด้วยอุเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมนัณสินทรียีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนัณสินทรีย์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา โสมนั grasp, สสินรีย์ของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรียไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและอุเปกินทรียีก็จะเกิดปฏิโลมปุชฌาอุเปกินทร์สีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุชฌาชีวิตินทรียีของบุคคลใดจะเกิดสัตตินทรียีและปัญญินทรียีและมนินทรียีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌา มณีสีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ชีวิตินตรีมูลกนัยจบโสมนณสินตรียมูลกนัย286อนุโลมปุจฉาโสมนณตินทรียร์ของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ ปชิมะจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัสสินสีของบุคคลเนั้นจะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้โสมนัสสินสีของบุคคลเนั้นจะเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดจะเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปัจฉิมจิตที่ทมประโยชน์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมนณสินสีก็จะเกิดอนุโลมปุชชาโสมนัณสินสีของบุคคลใดจะเกิดสตินสีละปั ญ, ญินสีละมนินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะใช่ ปฏิโรมปุจฉามนินทรีของบุคคลใดจะเกิดโสมณตินตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปชิมจิตที่ทำประโยชน์ด้วยเวขาจะเกิดในลำร ด, ดัรำรบแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่โสมณสินตรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและโสมณสินตรียก็จะเกิดโสมณสินธ ر ย ا มูลกานายัยจบ อุเปกินธริยมูลกไนสองอยแปดอนุโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดจะเกิดจตินรีและปัญินทรียและมณินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณินทรียของบุคคลใดจะเกิดอุเปกินสีของบุคบคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิมจัชนาปัจจิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น มนินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่อุเปกินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มนินทรีของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแล้วอุเปกินทรี ก, จรก 8, ร็จะเกิดอุเปกินตรีมูลกนัยจบสถินตรีมูลกนัยส8งอนุโลมปุจฉาสัตทินทรีของบุคคลใดจะเกิดปัญญทรีและมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาใช่ ปฏิโลมปุชชามนินตีของบุคคลใดจะเกิดศัตถินตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สตถินตรียามูลกานัยจบปัญญินตรียามูลกานัย2 8งรอนุโลมปุชชาปัญญินตรีของบุคคลใดจะเกิดมนินตรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชามนินตรีของบุคคลใดจะเกิด ปัญญิตีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่ปัญญตรียมุรกานายัยจบ